ทำที่พักคนเดินทางพอทําไปทําไปก็คนก็นิยมลืมบอกไปว่าตอนที่แกทําคนเดียวเนี่ยก็ทําจนดึกเลยนะกลับมาบ้านกลับเวลากลับมาจากจากที่ทําจากลานนะจะเข้าบ้านคนก็ถามไปไหนมาแกก็บอกไปทําบุญนะไปทําบุญนะแล้วก็ไป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 แต่ว่าพอคนพัฒนามากขึ้นเนี่ยต่างคนต่างดูโนะทรทัศน์นี่คนดูคนเดียวนะเพลงก็ฟังคนเดียวนะอินเทอร์เน็ตก็ต่างคนต่างใช้นะมีกันคนละเครื่องตอนหลังก็รถยนต์ก็มีกันคนละคันนะบ้านหนึ่งมีสี่คนแล้วนะก็มีรถประมาณสองสาคัน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 ข้อได้ประโยชน์ตนนะเช่นขัดเกลาวให้มีนิสัยใจเย็นนะคนที่เป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงเด็กกาพรา้าหรือว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่บ้านปักเกรด็ดนะหลายคนพบว่าตัวเองในใจเย็นลงอดทนมากขึ้นนะแต่ก่อนเด็กเนี่ยเด็กอายุสิบสี่เถียงพ่อเถียงแม่นะใจร้อนเอาเอารมณ์เป็นที่ตั้งแต่พอไปเป็นพี่เลี้ยง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 เราก็สามารถที่ช่วยเหลือคนอื่นได้มากหรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นการที่เราปรีกตัวมาปฏิบัติทำบ้างนะมาทำสมาธิภาวนาบ้างอันนี้มันก็ไม่ใช่ความเีแก่ตัวเสมอไปนะเพราะว่าถ้าเรามาขัดเกลาจิตใจเราให้ดีนะมีสติมีความรู้เท่าทันตนเองเมื่อเราออกไปช่วยเหลือสังคมเราก็จะช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องนะนะ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 คนตายเนี่ยในภายใต้กับปกะกองแก่เนี่ยประมาณสองสามล้านคนเขมรมีประชากรสี่ห้าล้านคนในเวลานั้นนะเมื่อส0ิปีที่แล้วเนี่ยตายไปเกือบห น, นึ่งในสามเพราะว่าสนองสนองทิฏฐิม า, น, านะนะของ พ, พลพจน์้วก็ผู้นำอันนี้เพราะว่าไม่ได้ขัดเกลาตัวเองนะปล่อยให้กิเลสเมันครอบงำไอการเปลี่ยนแปลง